คนเคยเห็นหน้าต้องมาหายจากเหมือนฝากเตือนใจเตี่ยจากเราไปไม่หวนคืนแน่กลอกเาทังถึงเครานอนแท่พวกเราก็ช่วยดู ่อยางไรเตี่ยไปอายุเทาล้มมาเดือนก่อนต้องนอนโรงพยาบาลลูกๆและหลานเพียนไปย่มไข หลายวันอาการไม่ดีคงถึงเวลาให้ลูกรู้ว่าจะต้องทำใจลูกหลานผ้ากันห่วงใหญ่แต่โชคร้ายเลย นี้เตียจากจำลาความดีมากมายเตียได้กระทําจะจดจําไม่เลือนเป็นสิ่งบอกเตือนตอกย้ำใจค่ะ ชอยแม้ต้องลับลาหวังว่าเตี้ยคงไป เมื่อใดกระทาจะจดจําไม่เลือนเป็นสิ่งบอกเตือนตอกย้ำใจข้าลูกหลานขอสรรสมบูชาเตี่ยชอยแม่ต้องรับลาหวังว่าเตียโค